นี่ต่อไปว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณบ้านพันดคามนั้นพระองค์ก็ทรงทำทำมีกถาอันนี้แหละเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายนะเรียกว่าคําสั่งเสียท้ายๆเลยก็คือศีลเป็นอย่างนี้ศิลที่เป็นโลกิยะเป็นอย่างนี้ศินที่เป็นโลกุตระเป็นอย่างนี้จตุปาริสุทิศินเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมาธิคือทั้งอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอย่างนี้ปัญญา อย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอนะอย่างนี้สมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ปัญญาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะมัคคสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมัคคปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมัคคจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะ โดยชอบอนะอรหัรรมะอรหตผลจิตจะพ้นจากกา ม, มาสวะพวาสวะและอวิชชาสวะโดยลำดับคาถานี้พระองค์แสดงบ่อยมากเลยนะที่จริงแล้วเนี่ยยกมากล่าวว่าสาระสำคัญของคำสอนที่พระองค์ประทับณบ้านพันดามแสดงอย่างเนี้ยมากอันนี้เป็นการแสดงครั้งที่8 เรียกว่าทุกครั้งในแสดงบ่อยมากเลยนะตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นแต่รวมรวมวานี่เป็นสถานแหล่งที่แปดที่พระองค์เกว่าเน้นให้ความสําคัญพิเศษว่าจะตุปาริสุทิศินเป็นอย่างนี้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นอย่างนี้กามสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาเป็นอย่างนี้เท่าอบรมแล้วเนี่ยจะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานแทงตลอดทำที่สุดแห่งทุกอย่างไรเรียกว่าย้ําแล้วย้ําอีกย้ําแล้วย้ํำอีกเพราะว่า ต้องการให้พระพิสูจนทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะได้รับคุณธรรมเหล่านี้ถ้าเปรียบเหมือนพระพิสูจนทั้งหลายเหมือนกับต้นไม้แก่นของอต้นไม้ที่ดีควรจะมีแก่นแก่นของต้นไม้ฉันใดแก่นของพระพิสูจน์ทั้งหลายก็ฉันนั้นท่านมีแก่นคือศียรไหม ท่านมีแก่นคือสมาธิไหมท่านมีแก่นคือปัญญาไหมท่านได้รับสาระคือแก่นสารแห่งชีวิตโดยเฉพาะชีวิตที่เข้ามาบวชในพระาศาสนาไหม่านถ้าคุณธรรมเหล่านี้ยังไม่เกิดพระองค์ก็สอนเพื่อให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดคุณธรรมเหล่าใดที่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็สอนเพื่อให้คุณธรรมเหล่านั้นเจริญเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ น, นะก็พยายามที่จะโอวาสแนะนําสั่งสอนตักเตือนย้ําแล้วย้ําอีกอยู่นั่นแหละ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ตามพระอัธยาศัยณบ้านพันธดามแล้วก็คือไม่มีพุทธเวไนให้โปรดพระองค์ก็ตรัสกับท่านท่านนนว่ามาเถิด อ, อนอนนเราจัะไปยังบ้านหัตถีคามพอออกจากบ้านหัตถีคามก็ไปยังอัมพคามจากอัมพคามก็ชัมผู้คามเสร็จแล้วก็เลยไปไปถึงโพข้านคร นะก็ไปโดยลำดับอย่างนี้ท่านพระนนท์ก็ทูลรับพระดำรัสนะนะแต่ละแห่งก็มีการประทับพักไปเรื่อยค่อยๆไ ป, ไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่สเสด็จถึงโพค่านครแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณนะ า, นนานนทเจดีณนะโพคานครนั้นเป็นเจดีก็คือเป็นวัดนะวัดประจาเมืองนะ ณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัส ก, กับพระพิสุทธ์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายเราจะแสดงมหาประเทศสี่เรียกว่ามหาประเทศแปล ว, ว่าการถือเอาโอกาสที่ใหญ่หรือถ้าจะอ้างต้องอ้างอย่างนี้หรือว่ามหาประเทศคือเรียกว่าสิ่งที่กล่าวกล่าวอ้างท่านผู้ใหญ่มหาประเทศสี่ประการเหล่านี้เนี่ยที่เราจะแสดงเนี่ยพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว พิสูจนเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเสรจพระองค์ก็ได้ตรัสดังต่อไปนี้ว่ า, อานะอย่าลืมว่าหมหาประเทศนี่แปลว่าข้ออ้างพูดอะไรแล้วอ้างไอ้ทิ่งที่เขาอ้างอ่ะมันคืออะไรมันข้ออ้างเนี่ยนะการอ้างเนี่ยหลักการอ้างใหญ่ๆมีการอ้างอยู่สี่ข้อนี่แหละข้อแรกก่อนนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาก็คือไปที่ไหนเนี่ยนะ ก, ก็มีการสนทนากันใชเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีการพูดคุยกันพูดคุยเรียนอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะ พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคําที่กล่าวของภิกษุนั้นคือไปที่ไหนเนี่ยนะอย่างตอนนี้สมัยใหม่เนี่ยยิ่งเห็นชัดไปที่ไหนก็อ้างพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นแหละเมื่อไปที่ไหนทุกคนทุกฝ่ายโดยมากก็อ้างพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะตอนต้นเลยอ ย, าอยาอวว่าอย่าพึงไม่พึงชื่นชมแปลว่าอย่าพึงไปเห็นด้วยหรืออย่าพึงปฏิเสธ อย่าไปเห็นด้วยหรือปฏิเสธง่ายๆอย่างนั้นครั้นภิกษุนั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านปฏิเสธอย่างนี้แล้วพึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นเอาให้ดีทรงจำํำให้ดีนะว่าที่เขาพูดเนี่ยพูดอะไรพูดเพื่อประสงค์อะไรถ้อยคําที่เขาใช้เนี่ยเป็นอย่างไร แ, แล้วก็สอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยคือว่าให้สอบสวนในพระไตรปิฎกว่างั้นเถอะถ้าสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัย คือพระไตรปิฎกแล้วลงในพระสูตรไม่ได้เทียบเคียงกับพระวินัยไม่ได้ไม่เข้ากับพระไตรปิฎกเลยขัดขัดกับสูตรที่12345สองสสหขัดสูตรน้อนอันนันพราชจากสูตรนี้ปฏิเสธสูตรนั้นเป็นต้นเนี่ยนะเธอพึงทำความตกลงใจในข้อนี้ว่านี้ไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกษุนี้จามาผิดแล้วแน่นอน อันนี้พวกเธอเพิ่งทิ้งคำที่กล่าวนันเสียถึงจะอ้างว่าเนี่ยเรียนคำสอนมาเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้ากาเธอแต่ว่ามันขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องสนใจหรอกงั้นทิ้งไปซะไม่ต้องเก็บเอามาเรียกว่าเปลืองชวนะให้ไปวุ่นวังนั้นเนี่ยไม่ต้องอไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องเก็บมาคิดไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเมื่อเทียบเคียงไปแล้วมันไม่เข้าสูตรใดสักสูตรหนึ่งเลยว่างั้น อันนี้ข้อแรกเนี่ยนะเขาเรียกว่าอ้างพระพุทธเจ้าถ้าอ้างมาผิดจำมาพลาดไม่ต้องสนใจหรอกถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยและลงได้ในพระสูตรเทียบเคียงพระวินัยก็เข้ากันได้พึงถึงความตกลงใจในข้อนี้ว่านี้คําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นและพิสูจน์นี้จํามาถูกต้องแล้วแน่นอนพวกเธอพึงจํามหาประเทศข้ออ้างใหญ่อัดข้อที่หนึ่งเอาไว้ให้ดี นนเนี่ยเนี่ยคือใครจะอ้างพระพุทธเจ้ามาก็ตามอ้างว่าเคารับเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้ามาสอบสวนกับพระไตรปิฎกก่อนถ้าสอบสวนแล้วเข้ากันได้ก็เออถ้าสอบสวนแล้วไม่เข้ากันทิ้งซะถ้าสอบสวนแล้วเข้ากันได้แบบถูกต้องแล้วใส่ใจวันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจํามาถูกต้องฟังมาถูกต้องแล้ว นะทัวในครั้งหนึ่งนะครับว่ามหาประเทศได้แก่โอกาสอันใหญ่หรือข้ออ้างใหญ่อธิบายว่าอ้างท่านผู้ใหญ่เช่นข้อแรกนะอ้างพระพุทธเจ้าข้อที่สองก็อ้างอ้างใครนะอ้างจากภิกษุสงฆ์พระสงฆ์พร้อมทั้งเทระข้อสามก็อ้างพระเทระมากรูปในวัดโน้นข้อที่สี่ก็อ้างอ้างพระหูสูดเนี่ยนะอ้างผู้ที่เป็นพระหูสูดเลยเรียกว่ามหาประเทศอ้างท่านผู้ใหญ่มางั้นที่นี้ อตอนแรกเมื่อได้ยินได้ฟังอะนะพินันทิตัพังอันผู้ร่าเริงยินดีก็ให้สาธุการควรฟังก่อนหาไม่ได้ยาอนุโมทนาเนี่ยนะหมายความว่ายังไม่รู้เขาพูดอะไรเลยอนุโมทนาแล้วเนี่ยนะยังไม่ได้ยินได้ฟังเลยว่าเขาต้องการแสดงอะไรเขาบอกอะไรก็ว่าฟังไปด้วยอนุโมทนาหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอนุโมทนาตั้งแต่แรกเลย เพราะเมื่อทําอยู่อย่างนี้แม้ภายหลังถูกต่อว่าข้อนี้ไม่เหมาะสมก็จะโต้อตอบได้ว่าเมื่อก่อนข้อนี้เป็นธรรมเดียวนี้ไม่เป็นธรรมหรือเชื่อว่าไม่สละลัทธิเพราะอะไรเพราะว่าถ้านุโมธนาก็เท่ากับแม้ยืนยันนะใช่ไหมยืนยันรับรองไปแล้วว่าเออมันถูกต้องแต่จริงๆอะถูกไม่ล่ะบทว่าณปฏิกโกสิตพังความว่าไม่พึงกล่าวก่อนอย่างนี้ว่าคนพ่านผู้นี้พูดอะไร อย่าไปต่อว่าอย่าไปปฏิเสธเขาฟังเขาก่อนว่าเขาพูดอะไรเนี่ยนะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาพูดถูกแล้วเกิดว่าเราค้านไปแล้วอ่ะทําไงเพราะโดยมากใช่ไหมคนโดยมากเนี่ยนะมันออกความเห็นไปอะไรไปแล้วเนี่ยมันยากที่จะสละคืนโดยเฉพาะคําที่พูดออกไปในแม่มยิ่งใหญ่เหลือเกินตนได้พูดอะไรตัวได้พูดอะไรออกไปในแแม้เรียกว่ารักษานะรักษาคําที่จริงก็รักษาหน้าจริงก็รักษาม า, น, า, น, านะนั่นแหละ มันมานะนี่มันยิ่งใหญ่มากมันถ้าไปออกความเห็นอะไรขึ้นมาน้อยคนนักเนี่ยนะทําเป็นเหมือนรักษาสัจจะวาจาใช่ไหมทั้งๆที่รู้ว่าผิดแต่ทําเป็นเหมือนรักษารักษาสัจจาวาจาสัจจาวาจาเนี่ยนะเขมีบางคนพยายามบอกเนี่ยทุกนะทุกอย่างควรจะเป็นสัจจะบอกว่าใช่สัจจาวาจาจะต้องไม่ขัดกันนะสัจจะต้องไม่ขัดกับอริยสัจจะนั่นจึงจะเป็น สัจจวาจาเพื่อรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเพื่อจะได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญถึงคำบางคำจะต้องเปลี่ยนบ้างก็ต้องก็ต้องยอมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางคนจะรักษาสัจจะวาจาโดยที่ไม่รู้ว่าสัจจวาจาที่ตัวเองรักษาเนี่ยจบลงที่ไหนเพื่ออะไรนะเพราะฉะนั้นจึงต้องการแต่คำมั่นสัญญาที่ ไม่รู้สัญญาอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาตรงนี้ว่าคนที่ฟังอะไรเนี่ยนะอย่าเพิ่งยินดีซะ ก, ก่อนตั้งแต่แรกและอย่าเพิ่งปฏิเสธในตอนหลังในตอนแรกคืออย่าคานก่อนอย่าชอบก่อนเพราะอะไรเพราะตอนหลังเดียวก็ลําบากเนี่ยนะพอตอนแรกคัดค้านเขาหน้าดูเลยนะคานหัวจนฝาขนาดเดียวกันก็ให้ร้ายป้า ให้ร้ายป้ายสีเอาไว้นานาชนิดเสร็จแล้วในที่สุดเนี่ยนะพอรู้ว่าตัวเองผิดทําไงอ่ะก็เที่ยวขอโทษไอ้ขอโทษเนี่ยมันจริงอยู่ว่ามันก็ละโทษได้คือแต่ที่จริงไอ้แต่ความผิดมันก็คือความผิดวันยังค่ําถึงจะขอโทษแล้วก็ไม่ได้แปลว่าโทษนั้นมันดับไปไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นกรรมอันนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่เป็นเครื่องกั้นแต่สิ่งที่เราทําลงไปไม่ใช่ว่าจะไรผลอย่างเช่นน่ยยกตัวอย่างว่าเอ โชติบาลมานพเนี่ยนะตำหนิพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วถามว่าท่านขอโทษไหมท่านขอโทษท่านขอเข้ามาแต่กรรมนั้นเลิกราไหมบอกกรรมเหล่านั้นไม่ขวางการบรรลุมรรคผลจริงแต่ว่ากรรมเหล่านั้นไม่เลิกราเพราะเจตนาเนี่ยจะข อ, อโหสิกันง่ายๆหรอเนี่ยนะมันหาอโหสิไม่ได้หรอกเหมือนกับว่าเอาเนี่ยไอการขออโหสิก็เหมือนว่าทําให้เป็นแผลแล้วเอายามาทามันหายจริงไหมล่ะ วอาบางอย่างเริ่มแปลเป็นแผลเป็นตลอดไปถึงจะประสานได้หายได้เป็นแผลที่รักษาได้แต่ก็ยังมีแผลเป็นติดตัวตลอดไปเพราะนั้นคำที่เราพูดเนี่ยนะไปชื่นชมอะไรสักอย่างถึงที่มันพลาดหรือไปปฏิเสธสิ่งที่ถูกมันก็เสียหายทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนี้เลยให้สอบสวนกับคาสอนให้ดีก่อนเมื่อสอบสวนกับคำสอนอย่างนี้เนี่ยนะกเรียกว่าสรุปว่าสอบสวนกับ พระไตรปิฎกว่าเข้ากับพระสูตรพระวินัยและพระพิธรรมเข้ากับธําสอนอะไรบ้างเพราะบางคนเนี่ยนะได้ยินมายังไม่ทันจบประโยคเลยอนุโมทนาแนละบางทีก็ค้านตะบี้ตบันไปหมดไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรไม่รู้เกิดมาค้านก็อย่างเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าค้านคําที่พูดถูกตำหนิกร ะ, ะชื่นชมคําที่พูดผิดมีโทษหรือตําหนิ อันนมายความว่าชื่นชมคําที่ถูกตําหนิคําที่ผิดอันนี้มีคุณมหาศาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นด้วยเนี่ยนะมันมีมันมีความสําคัญมากหรือสิ่งที่เราคัดค้านก็มีความสําคัญมากไปคัดค้านในสิ่งที่ไม่ควรคัดค้านไปเห็นด้วยในสิ่งที่ไม่ควรเห็นด้วยก็เสียหายอยู่แล้วในโลกนี้แต่ถ้าตรงกันข้ามล่ะคัดค้านในสิ่งที่ควรคัดค้านเห็นด้วยในสิ่งที่ควรเห็นด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มี อุปการะหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีพระศาสดาถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสารณะถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนี่แหละเป็นเครื่องสอบสวนถ้าเป็นไปตามคําสอนเป็นไปตามพระตรัยพิดกเนี่ยนะซึ่งสํารวจตรวจสอบแล้วไม่ผิดทั้งโดยอัฏฐและโดยพยัญชนะถือเอาไวเ้เถอะไม่ต้องทิ้งอนุโมทนาชื่นชมได้เลย อันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งเนี่ยนะอาจจะเอาสูตรนี้มาเป็นเครื่องวัดก็ได้ถ้าจำพระไตรปิฎกเทียบเคียงไม่ได้ขนาดนั้นค้นไม่ได้มากมายแค่ว่าเอาหลักแปดประการที่พระองค์แสดงกับพระนางประชามณีโคตมีที่เป็นหัวข้อธรรมะที่เป็ น, นเหตุให้นางบรรลุมรรคผลนิพพานน่ยนะธรรมะแปประการในหน้าสีนน่ร้อยห้านะ วิธีที่สำรวจดูว่าเป็นธรรมหรือไม่ใช่ธรรมดูก่อนโคตมีเธอเพ่งรู้ธรรมะเหล่านั้นอันใดว่าคือธรรมะเนี่ยนะมันจะเป็นใครพูดหรือใครปฏิบัติก็ช่างเถอะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาปฏิบัติมาดูนะว่าหนึ่งเป็นไปเพื่อมีราคะหรือเป็นไปเพื่อกำจัดราคะสองเป็นไปเพื่อประกอบเอาไว้ในทุกหรือเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ ส, สามเป็นไปเพื่อมีอุปาทานหรือว่าดับอุปาทานสเป็นไปเพื่อมักมากหรือว่าเป็นไปเพื่อดับความมากมากหเป็นไปเพื่อความสันโดษหรือไม่สันโดษ 6. เป็นไปเพื่อความเกียดคร้านหรือว่าปรารบความเพียรหมายคาอว่ากุศลเจริญขึ้นไหมหรือกุศลลดลงเ น, นี่ยนะเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่หรือวิเวกเป็นไปเพื่อสังสาคฆาการคลุกคลีหรือวิเวก เป็นไปเพื่อความสร้างสมวัตตะหรือว่าเป็นไปเพื่อไม่สั่งสมวัตตะ